Book 2 92 92อนุประโยคลองลงมาที่สองผมโมโหที่คุณนอนกรน ผมโมโห о ที่คุณดื่มเบียร์มาก мне п р พ к р а ร т о ты п ุยเปียชีผมโมโมห о ที่คุณมาช้า мне п р พ к р а ร т о ты приходишь так поздно ผมคิดว่าเขาต้องการหมอ Я думаю что ี м у потребны доктор ผมคิดว่าเขาไม่สบาย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 เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้านผมได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ผมได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคันผมดีใจที่คุณมาผมดีใจที่คุณสนใจ Я рада, что вы з а วิ к а ต л เ н ы ผมดีใจที่คุณซื้อบ้าน Я рада, что вы х о วิ т е купить дом ผมเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว б а ยูเซชัตัวอปุชนีออทู у ัสอ е โจสผมเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่ บา ю с я เ т ่ н а น с ้อ т р ้ б ส์ต้อ з я ้อ т а к с แทกซผมเกรงว่าผมไม่มีเงินแล้วบาเยู я н ่ฉ с น б о อ н я м ่ม р о ш а й